พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่ยี่สิบหกโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคัน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบห้าตุลาคมสองพันหร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าคนในพุทธบริษัทเมือนี่เป็นวันที่สิบห้า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 เป็นกระถินวัดปลาบัานตาดแต่ทราบว่าของหลวงปูบ่บนมีเน่ยยี่บหกหรือยี่บเจ็ดแต่หลวงปู่รีบว่ย า, ายี่สบเจ็ดกันผู้ใดสิไปวัดใดก็สืบสอบเบิง้งตั้งกูมือนมันสืบสอบง่ายขึ้นอยังไหนหยกหู โ, โทรศัพท์ไปหาถามผู้ใดเขาก็บอกมัดวันที่เท่าใดทอดป่าปลาอยู่ใส่ไงกูเมือเนี่นเเเยเผยเผยกันผู้ใดเ่นเฟซบุ๊กเป็นเลยนะ ก็ไปเบิร์ในเฟซบุ๊กของยักเ์มัดไปจังหดมาจังใดกูมือมันติดต่อประสานงานกันง่ายออกพรรษาเน่ยวันที่สิบเก้านับตั้งแต่มื่ออื่นไปลุงพอก็บอกพระหม่องไ้บาทในห้องขยับออกมาไวทางนอกเด้อไวถ้ามาไวเดินถ้าฝนขึ้นจะประตคดอกวันจะให้ใหสล่าให้ทำความสะอาดซะสะอาดเช็ดเเรียบร้อยแล้วก็ ปัดกวาดให้ได้ใช่มันออกพนสษานให้ได้ใช้งานได้พวกในขั้วเกิเตรียมพวกถวยช่มไปเรียงแขกเลียงข้นเลียงพี่เลียงน่องทั้งนอกคนน่ะบอกผลเขาว่าทั้งในใตั้งโตตั้งยังล้วก็เรียงกันเตียงอาหารกันทั้งนอกคนล่ะทีมันกว้างขวาง จะดูดสบายขึ้นมากละ่ะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเข้าก็ต้องทดสอบทดลองเบืง้งเมื่อกรถินเมื่อวันกระถิ่นเนี่ม่นจิตเป็นอย่างไรเข้าประเดิมชัยเบืงก่อนเมื่อวันงานกรถินจริงเครื่องเสียงเป็นอย่างไรของน้ำของทาเป็นอย่างไรน้ำไฟเป็นอย่างไรฐานที่เพียงพอบว่าวสิบินธบัติอย่างไรเข้าก็จะได้เบื้ง วันออกพรรษานี่แหละลองหน่อยซะ ก, ก่อนบาฮันเลยยังคอยงานไงถึงยังไ้งานกระถินของเฮ้าทุกปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ามากไหม้เพอาะสมขวรถึงอย่างไรก็ยังเป็นพี่นองในชนบทของเฮ้านะ่ยในถิ่นของเฮ้าเป็นส่วนมากที่มาในงานแต่คนในเมืองก็มีอยู่แต่กระจายกันวัดต่างๆผู้ใด ต้องการหรือว่าชนิดสนมนกูบาใบจานองคไดเพิ่งก็ไปตามวัดนั่นอย่างวัดเท่าก็มีคือกันแต่วัดอื่นก็บมีเพราะนั้นเรื่องกรถินกระจายกันเพราะสมควรพอวัดกระถินปีหนึ่งกว่ามีแต่ละวัดก็มีครั้งเดียวแล้วก็มีเวลาจาํากัดอีก<ม>หนึ่งเดือนตั้งแต่ออกพรรษาไปหนึ่งเดือน ในระยะหนึ่งเดือนน่นกระไพกระเร่งจังแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ดิเร่งจั่วันเสาร์วันอาทิตย์เพราะญาติพี่น้องที่จะมาทอดกระถินที่มารวมกระถินกระตัมากก็เป็นข้าราชการพ่อข้าที่จะมาใดก็คือเสาร์อาทิตย์ปรนานจึงต่างคนกับต่างเร่งเสาร์อาทิตย์สรุปแล้วก็คือมันมีสักมื่นละเสาร์อาทิตย์เดือนนั้นก็มีสี่อาทิตย์ มันก็มีแปดมือในมื่อแปดมือมันก็ต้องชนกันเป็นธรรมดาแต่เรื่องกรินลงพอก็เคยบอกเคยกล่าวบอกว่าเรื่องกรินก็เป็นนาทีของพุทธบริษัทคำว่าบริษัทคำนี้ก็คือร่วมร่งเห็นด้วยกันเป็นคนของบริษัทแต่ในคนในบริษัทนี่ ควรจะให้การสนับสนุนจังไรในบริษัทของเจ้าของโมเมนต์เฉยเมื่อยอยู่ในบริษัทแต่บริษัทส่งเสริมบริษัทอันนั้นก็บ้านาจะถูกเพราะนั้นพวกเข้าอยู่ในบริษัทพุทธบริษัทเขาก็ต้องเสริมส่งเสริมเขาอยู่ในบริษัทใดเขาก็ส่งเสริมบริษัทนั้นอย่างศาสนาคริสต์อิสลามขึ้นกัน ใหเข้าไปสืบสอบดูสิเขาก็ส่งเสริมในบริษัทของเขาคือกันไออันนี้คือกันพุทธบริษัทเข้าไปต้องส่งเสริมในบริษัทของพวกเข้าแต่ถ้ามากหรือหน่อยก็ตามกําลังศรัทธาแต่ว่าเฉยเมื่อจนเกินไปกรมบน่ายจะถูกต้องเพราะวา่าวัดว่าศาสนาอยางทีล่ล่ะอย่างพุทธบริษัทวัดก็จะต้องได้ใช่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 เพื่อจะให้บริษัทของเฮ้ายืนยงต่อไปผ้าิภาคหนาถามว่าพวกเฮ้าทรงเสริมบริษัทของเจ้าของบริษัทของเฮ้าก็ลอยล้อลงไปเรื่อยๆแล้วก็จบบทที่สดุดแต่ถ้ามว่าเฮ้าส่งเสริมบริษัทของเฮ้าให้เข้มแข็งบริษัทของเฮ้าก็อยืนยัดอยู่ได้เพราะพุทธบริษัทช่วยกันทนุถนอมช่วยกันปกป้อง ดูแลพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเรื่องการทะนุบารุงพุทธศาสนาโมเมนต์โมเมนของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนในบริษัทจะต้องช่วยกันม่องดูหรือปกป้องบริษัทของของเฮ้านะแต่ผู้อยู่ภายในอย่างหลวงพ่อหรือคูบาตรเนี่ยาานน ย, ยกหลวงตาเป็นตัวอย่างหลวงตาคืเป็นผู้อยู่ภายในของบริษัท กาวัตพุทธบริษัทเขาส่งอนุถนอมอส่งจตุปัจจัยเขามา้าเขาม้าในบริษัทเขามาในวัดว่าศาสนาอทั้งคูบาอาจารย์ทั้งพระสงฆ์ก็ต้องมองทางโลกเมื่อคือกันอจุดใดที่ขาดเหลือขาดตกบกพร่องคันบริษัทของเฮ้าหรือวัดว่าศาสนาของเฮ้าเป็นไปได้แล้วก็อมองว่า ควรจะช่วยเครื่องมือแพทย์อย่างไรต่อพี่น้องประชาชนอาค้านหล้างใดที่เป็นโรงเรียนโรงพยาบาลหรือว่ามีสิ่งจําเป็นและสําคัญของพี่น้องประชาชนพุทธบริษัทของพวกเขานี่ก็ต้องใส้ซอยเหลือไปอย่างลงตาซอยอย่างโรงพยาบาลอย่างที่เป็นต้นอย่างลงพอขื้นกันขั้นว่าจิบรรยายเกี่ยวกับการทรงคออนุคอ ให้กับชุมชนแล้วเมือ่อนใดเข้าค้องจะ บ, บริชันจังหันนระก็มากเพราะสมควรขนาดลงพอตัวในหน่อยกังทีนะได้ช่วยหเหลืออีย่างนดเครื่องมือแพทย์จังใดแน่โรงพยาบาลจังใดแน่ชุมชนจังใดแน่แต่ว่าถึงอย่างใดก็ตามเข้าข้องมาคิดว่าพุทธศาสนาอยู่ใดเพราะพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุน พี่น้องประชาชลยูใดก็ต้องศาสนาเป็นภูชี่น้ำทางด้านจิตใจขำไหวทางด้านวัตถุทางด้ำน้ำมาถรำน้ำมาถรำคือด้านจิตใจการไปมาหาสูกันการไม่เมตตาต่อกันการม่นำใจต่อกันมีความอบอ้อมอารี่ต่อกันนี่แหละถาวรพวกเข้ า, าไปจูวัดว่าศาสนาใดก็ตาม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 อย่าไปมองกันในแง่ลายอย่าไปมองกันอย่างอื่นมั่งด้วยเหตุด้วยผลกา ร, ป, รปฏิบัติธรรมธรรมดาพวกเข้ามาอยู่น้ำกันผูมาไม้ผูมาเกาผูมาเกากับกูหลุจักคุนเชิงต่อสถานที่คุนเชิงต่อวัดว่าศาสนาแต่ผูมาไม้ยังไปทัานรูเรื่องนี่แหละเาก็ต้องช่วยแนะนํา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 เออพ่นสบาททางนอกวัดเนอเดี๋ยวนี้เนอในพรรษาไปไปไปจัดอยู่ทางนอกไปสบาตทางนอกเนอกันนายจะบอกเขาอันนี้เจ้ลงพอเองเจะไปบอกเอ้ยผู้เจ้ามาจังไรสัทธาญาติโน้มลุกหลังมาหาุนโอ้เรไปสบาตทางนอกเนอะไปไปไปสบาตทางนอกเปิใสบาตทางนอกในในพรรษาตะนอกพรรษาเออเอามาถวายอยู่าลา เขาโอ้ยโบหงจักแล้วคิดว่าจะเฮ็ดคือเกาลงพอบอปอบอผู่น่ะไปทางนอกไป <c oughs> ลงพอก็เรย่มมากรรมศัพทั้งโซเฟอร์ผมทั้งปูตู่มโอ้วกเฮ้าเนี่ยบอแนะน้ำเขา เ, เวลาเขามากก็ต้องแนะน้ำให้เฮ้าเป็นเจ้าของบ้าน <c oughs> เฮ็ดจงสี่่เฮ็ดจังสัน <c oughs> เฮ็ดจังสันเฮ็ดจีงสี่เป็นมักกุเทศให้เขามันยังคอยแมน อันนี้ช่วยอมปากอมลิ้นไผยอมลิ้นมันอยู่บาฮดาแนือื่นบวดาเกงแท้ๆได้หว่าเนื้ออื่นปวนว่าดาเกงขึ้อย่างไรสิเห็แนะนาให้เกิดประโยชน์บ่เหตุอย่าเพราะนั้นพี่น้องลูกหลานพอดีมากกัตามเบิงเบิงเหล่ากันเขาบุญหัจักกันแนะนาเขาเห็ุทังสีท่ทังสัเน่าลูกหลานเน่าขึ้นมานี่กพาพะไหวพะทังสี่เนาตําตัวทั้งสัตว์ทั้งสี่เนา่าเขาเป็นเจ้าของบ้านเขาก็ต้องแนะนาเขา ถึงเขาจะพอใจเพอพอใจบ้างใหม่ๆต่อไปเขาก็เห็นคุณเมื่อเขาแนะนําไปในทางที่ถูกต้องโดยเจตนาดีของเฮาคณะวาต่างข้นต่างบอแนะนํากันต่างคนต่างเฉยศาสนาที่อยู่ใดจังใดโพธิศาสนากันี่แหละถ้าจะว่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อะดวกวัดจะเสีาแต่ละมือโอ้ยบอแล้วปุ๊บปับมากบินทบาทมากกวฉันโหลดแบบหลวงู้่อจามสบายกว่า แต่ที่ม่่่่่่่่่่่่อ่่ออออ่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่ประ่ระชชาญญา่่ น, น, นงง่่นน่่่่กก่ล่่่ล่่่่ง่่่่่ี่ห่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่อ่่่ง่่น่อ่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่สั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ห่่่่่่่คําสอนขอ ง, ขาางอ่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่น่่่่่่งอื่น จนจะได้ปิดหูไวพ่ะคนในตลาดคนในที่ต่างๆอแต่เข้ากบฏอย่านงนี้เสียงธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเพิ่นสอนจังไรให้มีเมตตาต่อกันจังไรให้มีความอบอ้อม อ, อารีต่อกันจังไดอนี่แหละชีวิตของพวกเข้าเป็นจังไรยืดเจ้าไปชักเท่าไดถึงลอยปีบอ่อไปแล้วตายแล้วไปจังไร ศูนย์บอ่อเกิดอีกนี่แหละขันธวะห้าสูวัดวาาา่าศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะได้ชีน้าชีเนะหอยฟังจากน้อยกับเป็นแนวความคิดถึงจะเชื่อหรือบม่เชื่อกอนันรก็สุดแท้แต่ความคิดของแต่ละคนบอ่บอประเดี๋เชืเ่อบ่อนั้นก็คงจะบอ่อ ถ, ถึงขนาดนั้นแต่ที่บ่ให้ฟังเนี่ยบ่เชื่อเลยเมื่อก้อนบ่อหาจะเป็นทั้งสันอีกคือกันเพราะว่าต่างคนต่างบุญบรารมี ยังพระพุทธเจ้าพนเทศนาวาการขึ้นกันเวลาขึ้นพนจะขึนเทศเวลาพุทธบริษัทมาประชุมพร้อมกันใช่ไพระพุทธเจ้าเขาจะกวาดสายตามกวาดญาณทัศนะกวาดชาญญาณทัศนะในพุทธบริษัทที่มาาั่นนำผู้ใดเสด็จสเร็จพระหรันมีสักคนมือเนี่ย เ, เครื่องคอมเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นคิดตัวเลขออกมาละ ตบตบตบตบ ต, บ, ตบหูแหละผู้ใดจะสำเร็จพลรหันสักคนพระอนาคามค า, กก า, คามีสักคนพระโสดาบันสักพระสกทาฆามีสักคนพระโสดาบันสักคนผู้ทถึงพระไตรสรณคมมีสักคนมือหนึ่งวแล้วเพิ่นก็นจะแน่นเรื่องพรหรหันก่อนผู้ทิได้สำเร็จพลรหรันมันก็ว้าแต่พวกที่พวกอยู่ท้งบัลมียังอ่อนนี่ก็ฟังฟ่งเฟัองก็เถ ว่าเข่าหูแล้ยไปเฮ็ดเธอ่อเพิ่นเพิ่นเบา อ, อย่างนีอแต่ว่าผู้ที่จะได้สําเร็จเพิ่นฟังเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจได้บ่างนะผลในสุดยกพวกนั้นเสร็จแล้วก็เออเอาต่อมากกับเทอผู้ที่จะได้สําเร็จขันตอนลงต่อมาก ต, ตลอดมากกับมากพูดเป็นคำเอเทศนาวาการให้ผู้ที่จะได้สําเร็จหรือว่าผู้ที่จะได้ ถึงพระไตรจารนะคมยึดพระพุทธเจ้าพระถรมพระสงฆ์ปลูกชัท t าให้เบื้องตน้นให้เกิดชัท t าให้เสื่อมัน่นเสื่อกรรมเสื่อผลของกรรมท้ำดีได้ดีถ้ำชั่วได้ชั่วน่าลกสวรรค์ไม่จริงนะตายแล้วเกิดนะเนี่ยพวกนี่ก็เสือ่อถึงจะเสือ่อก็ยังว่าท่านได้สําเร็จเพียงแต่ว่าเสือ่อซสื่อหนับถือเหลื่อมใสพวกนี่ก็มีสรุปแล้วก็คือ ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับนี่พระพุทธเจ้าจ้เทศนาวาการให้ฟังพวกนั้นพวกเข้าที่มาว่หรือว่าแน่นํำพี่นองประชาญชนจัท่าญาติโยมลูกลานจะให้เข้าใจมดทุกคนก็คงจะเป็นไปบ่ได้ได้บ้างเสียบ้างแต่พอพูดะเลยดีไหมแล้วพูดพูดก็บพระพูดอันไหนดีกว่ากัน แต่สรุปแล้วก็คือพูดดีกว่าเพราะอย่างหน่อยก็ได้ชัท่าญาิโย้มผูดทีทำการทํางานไม่ได้เขาใส่ใจในพุทธศาสนามีแต่ทําการทํางานก็มุกมุ่นอยู่แต่การงานบม่ได้สนใจก็ะโโบหูแต่พ่อมากวัดว่าศาสนาได้กินครูบาอาจารย์เบาหรือว่าได้แต่หนังสือ แลวเอ็มพี่สามไปไปฟังไปเออแนวความคิดของพุทธศาสนาเนี่เป็นสอนกัรเง่นสี่ตัวนี่นะยังมือว่านคือกันมือว่านก็มีได้รับจดหมายจากจังหวัดอายุทยาเขียนมาบอกว่าผมได้รับเอ็มพี่สามของหลวงพ่อไปสองแผน่นแต่ผมฟังเมืองแล้วโอ้เทศชนาราชการของหลวงพ่อเนี่ย เน้นนะว่าทําดีได้ดีถ้ำชั่วได้ชั่วตายเราเกิดแล้วก็เวลาเป็นฆราวาสก็ให้ทําคุณง่ามความดีพ้ออมอแล้วก็ให้สร้างท้านะเจ้าของพ่ออมจะให้ขาดตกบกพ่องในการเป็นยอยู่การทําอาหาเรียงชีพให้มันให้ขยันแต่ถึงอย่างไรก็ให้สุดเจริตอย่าไปโคดไปโกงอย่าไปป่นไปจีอย่าไปเบียดไปบังของผู้อื่น หลวงพ่อผมฟังแล้วเดียวนี้โลกทางหลายเขาเนี่มีแต่หาเงินแต่ว่าการหาเงินทางโลกกูมืงินี่เขาบริคิดคำนึงถึงศีลธรรมมีแต่หาเงินว่าจะได้มากโบจักเบียดจักปังโบจักโคตจักโกงฟังๆเบิ่งแล้วก็ในหลักของพุทธศาสนานี่ก็ที่หลวงพ่อพูดเจ๋งแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยจะน้อย แต่ว่าถึงจะไหนก็พูดไว้ดีกว่าน่ะครับผมเห็นด้วยที่บอกแนะน้ำไปดีกว่าเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือแนวความคิดของขู่คนในยุคนี่สมัยนี่สรุปแล้วก็คือทั้งได้ได้ทั้งได้ทั้งเสียของเราไปสรุปแล้วเออบพูดะเลยอมันก็บ่งการกพูดเกินไปก็พอเป็นผลดีขึ้นกันล่าข้าศหูขึ้นกันแต่ว่าถึงยจงไหกระตาง อย่างหลงพ่อสมัยเป็นแน่นหน่อยอยู่กับหลวงปูหลา่าผู้เฒ่ามิตรอสก่อดทําไปยาตเกียดแนวความรู้ให้สอนส อ, อนบอกบอกอยางไปบธาบาิบัทหางยางน้ำคนพ อ, อนะสอนบอกเฮ้เฮ้ยเฮยู่ผูเ้เป็น น, น, นะนฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮกยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้เก้าเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย แต่ยางก้อนอะไรได้พันยางสียางก้อน เ, นไไเอพลน อ, าน อ, า อ, นนอาตามหลังจับดึงแขนไว้ไปหาไปก่อนเอเห็นหมอบี น, น่ายเราเดินไปข้างหลังจักไม่แสดงธรรมแก่คนผู้เดินไปข้างหน้าขั้นว่าเข้าเดินไปข้างนาลุงปู่จะบาเบาได้เศร้าเบาไปนะขั้นถ้าว่าดูน้ำหลังเพลนเนี่ยเป็นสีเ้าเนาะเป็นสีเทศให้ฟังเป็นสีเ้าให้ฟังแนวความคิดของเพลน พรานั่นเพิินจึงห้เห่าอยู่ทางหลังหมดเลยแนะนำโกนเพลินอ่ะเพิินกับเบาเบาไปเลยนะแนะนําไปเลยสมัยัานกน็คือลําข้าศนะ์บอกง่ายๆแต่ก็ฟังอยู่บางบางเรื่องที่มันเป็นความไม่คือวมาเออฟังขันเบาเรื่องขําเกาโคงมหาโตกเกาเนี่ยคือล่าข้าศ์อ่ะบรระไปแต่มาพิจารณาเบื้งคูเมือเนี่ยโอ้อโยกมือถ่วมหัวบรรลุไปหลวงปู่แนะนําสั่งสอน เพื่อนแน่นให้มันนักเขานะ่าลงไปให้จดจําได้เรื่องที่มันเบาเกินมากแล้วก็บอกอีกเป็นกระบอกมามันบทที่จนนั่นหรอกแต่ว่าเข้านะมันเด็กน่อยเนะี้ยจำได้ทีเดียวมันก็จําได้ละแต่ว่าถึงยังไงก็ตามหลวงปู่มันเกิดมีเจตนาดีผลที่สุดพ่อเขามาอยู่เขามาอยู่บันตาดนะ น, นะโอ้แนวความคิดที่หลวงปู่สอนให้เข้านะีแต่สมัยเป็นแน่นน้อยนะเข้านาําม่านใจมด การเข่าหากูบาร์จานเห็ดยังไงการอ่อนหนอ่อบทอมตนให้ยังไงการถอยหนาถอยลังให้ยังการประเทศของให้ยังการพูดการจาอตลอดถึงการไปฮับยาม <c oughs> ไปฮับยามฮับถงุงบนเห็ดยังไงถือถงถือยามบนเห็ดยังไหลุงปู่สอนมัดเนีย่ยว่าโอเป็นแนวความคิดเป็นความรู้ที่เขานามาประพฤติปฏิบัติได้เนีย่ยว่ายกมือถั่วหัวพอมาถึง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 มันก็เกิดประโยชน์มากที่เดียวลรวลงพอวานะเอาละพ่อ น, นั่ น, นี้นะสมไ้มันหองเลยฝนจิมาบออะไรเงี้วบาฝนจิมาเลยเบิง่งเบิ่งขบกขึ้นหรอวะมันจิมาได้ยังในเดือนตุลาจะออกพปนสาไปแห้งล่ะ